อันนี้ข้อแรกก่อนนะว่าลักษณะของผู้มีศรัทธาก็ปรารถนาที่จะเห็นท่านผู้มีศีลเนี่ยนะถึงผู้มีศีลอยู่ณที่ไหนก็ปรารถนาจะไปพบเห็นอันนี้ก็บอกถึงว่าเป็นผู้มีศรัทธาข้อที่หนึ่งข้อที่สองสัทธธรรมมังโสตุมิชติเนี่ยนะความว่าเป็นผู้ประสงค์จะสดับพรตย์ธรรมที่พระตถาคตเจ้าทรงประกาศแล้วดูดพระ ปินดปาติกะเทระเป็นต้นเนี่ยนะเั้นลักษณะผู้มีศรัทธาอย่างที่สองก็ปรารถนาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนันก็ของเราก็ดูนะว่าใครขยันมีศรัทธาอ่านพระไตวปิดกก็แสดงว่ามีศรัทธาถ้าไม่ค่อยชอบอ่านเก็ศรัทธาเหมือนกันแต่ยังไม่มากอย่างั้นเถะยังไม่เรียกว่ามีอันนัเกิดสำรวนถ้าถ้าคนมีสตังเนี่ยพร้อมที่จะหยิบใช้ได้สอยใช่ไหม ถ้าบอกว่าแม้จะใช้สตังทีต้องไปขอยืมเข้ามาใช้อย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ค่อยมีศรัทธาก็เหมือนกันถ้ามีศรัทธาถึงก็เปิดอ่านพระไตรปิฎกสบายๆอ่านแล้วมีความสุขก็แสดงว่ามีละเนี่ยนะแต่ถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นก็เกือบจะมีแล้วนะถ้าเพียรต่อไปคุณเวลาวันมีหรือยั ง, น, ยงนั่ น, น, นเอ า, เอาละพอแล้วพอและทีนี้ ผู้ที่ปรารถนาจะฟังธรรมเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างว่าเล่ากันมาว่าพิสุสามรูปเข้าจำพรรษาอยู่บนเนินเชื่อว่ า, าขวาระวาระทุกๆ ก, กึ่งเดือนในวันอุโบสถจะพูดกันถึงมหาอริยวงศ์คือมหาอริยวง์วงนี้หมายถึงว่าวงของพระอริยเนี่ยนะว่าพระอาริยะจะต้องปฏิบัติตามนี้นะ ภารยะในอดีตทั้งหมดก็จะปฏิบัติอย่างนี้ภารยะที่จะมีในอนาคตทั้งหมดก็จะปฏิบัติอย่างนี้พารยะในปัจจุบันท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้เป็นวงที่เลิศมีมานานแล้เนี่ยนะผู้รู้ไม่ติเตียนจักไม่ได้รับการติเตียนทั้งผู้รู้ในปัจจุบันก็ไม่ติเตียนเนี่ยนะแล้วก็สมณะพราหมณ์ทั้งหลายก็ยกย่องสรรเสริญเนี่ยนะคือ อ, อ, อริยวงสอย่างเนี่ย อริยวงสี่ก็คือพูดถึงสันโดษว่าด้วยปัจจัย4ี่เนี่ยนะแต่ว่าข้อหนึ่งจีวอนข้อสองบินทบาทข้อสามเสนาสะนะส่วนยานี้ก็นับสงข้อเข้าเป็นบินทบาทก็คือสันโดษในปัจจัย4อย่างข้อหนึ่งนะสันโดษในปัจจัย4ข้อ2กล่าวสรรเสริญยกย่องว่าด้วยการสันโดษว่าสันโดษนี่ดีนะเกาสรรเสริญการสันโดษอย่างที่สาม ถ้าไม่แสวงหาปัจจัยโดยไม่ไม่ถูกทำเนี่ยนะคือไม่ยอมเสียศีลเพราะเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่ข้อต่อไปอีกถึงไม่ได้ปัจจัยสี่ก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยนะไม่กระวนกระวายเพราะไม่ได้ข้อต่อไปอีกว่าถ้าได้ก็จะพิจารณาถึงคุณและโทษของการใช้สอยมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกอ น, นะนะอีกต่อไปว่า ถึงได้ปัจจัยเหล่านี้แล้วสันโดษในปัจจัยก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นว่าผู้อื่นมักมากตัวเองสันโดษก็จะไม่ยกตนข่มผู้อื่นเขาเนี่ยนะอันนี้พูดถึงเรื่องปัจจัยก่อนนะแต่ข้อ1นจีวอนข้อ2บินทบาทข้อสามเสนาสนะนะแต่ว่าลักษณะก็คือหนึ่งสันโดษด้วยตัวเองสองสันเสริญเรื่องการสันโดษเป็นต้นเนี่ยนะอย่างที่กล่าวไปส่วนข้อสุดท้ายก็คือยินดีในภาวนาเนี่ยนะ ยินดีในภาวนานี่แบ่งออกเป็นสองชุดสรุปว่ายินดีในการเจริญมรรคยินดีในการละสมุทัยเนี่ยนะ<ๆ>ใครวัยเจริญกุศลก็ยินดีมากละบาปละอกุศลก็ยินดีเนี่ยนะก็สรุปว่ายินดีเจริญมรรคสัตยินดีละสมุทัยสัต์นั่นเองทีนี้พระเถระผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งมาภายหลังนั่งในที่กำบังเนี่ยนะคือปกติทุกๆ 15วันใช่ไหมเขาจะสนธนาอริยวงตั้งกับเช้ายันตั้งแต่เย็นถึงเช้าเลยนะฟังเทศทั้งคืนเหนั้นเถอะว่าด้วยสัสนโดษในปั จ, จัจสี่และก็เนี่ยเจริญมรละสมุทัยเนี่ยเขาสนธนากันอย่างนเงี้ยทั้งคืนพระเทะรูปนี้ก็มาแอบบแอบนั่งกำบังกำบัง ท, งที่หนึ่งทีนี้มีงูคว้างคอนอยู่ตัวหนึ่งก็มากัดท่านจนเนื้อหลุด เหมือนเอาครีมเนี่ยคีบเนื้อออกจากปลีแข้ ง, นนะ ง, ง, ขงนเนี่ยนะเคยงูคว้างคอเนี่ยมันวิ่งมาแล้วมันกระโดดเคยเห็นไหมใครเคยเห็นงูคว้างคอมั้งอยู่แล้วมันก็กระโดดไปเรื่อยกระโดดไปเรื่อยทีนี้ถ้ามันฉกนะมันเหมือนกับว่ามันใช้เนี่ยปาดทิ้งเลยเนื้อก็หลุดไปชิ้นหนึ่งอะเหมือนคอนนนรีมอะนะปลีแข่งเนี่ยหลุดไปเลยพระเทระมองดูดงูเห็นงูคว้างคอก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะไม่ทําอันตรายแก่การฟังธรรม ก็จับงูเนี่ยใส่ลงไปในย่ามแล้วก็ผูกปากย่ามเอาไว้ก็วางไว้ในที่ไม่ไกลก็นั่งฟังธรรมต่อไปเนี่ยนะไม่พูดไม่จาสักคาเลยขังงูไว้ก่อนเนื้อมันหลดบ้างก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะก็ไม่บ่นไม่อะไรสักคําเนี่ยนะฟังธรรมจนอรุณขึ้นหนึ่งพิษงูก็สงบพระเถระได้บรรลุอนาคามีผลพร้อมกันเนี่ยนะแล้วก็พิษงูก็ไหลออกจากปากแผลลงไปยังพื้นดิน พระเถระผู้แสดงธรรมก็จบธรรมกถาเนี่ยนะนะข้อหนึ่งนะสว่างพอดีสองพิษงูก็สงบพร้อมกับบรรลุอนาคามีผลข้อสามพิษก็ไหลออกจากแผลหมดข้อสี่จบจ บ, จบเทศพอดีนะนะได้มีในขณะเดียวกันเนี่ยนะพระเถระนั้นก็ได้พูดว่าอาวุโสทั้งหลายเราจับโจนได้ตัวหนึ่งแล้วก็แก้ถุงย่ามออกปล่อยงูคว้างค้อนไปพิสูธทั้งหลายเห็นแล้วก็ถามว่า มันกัดท่านตั้งแต่เวลาไหนก็บอกว่าอาวุโสทั้งหลายเราถูกมันกัดตั้งแต่ตอนเย็นวานเหมือนกัน <Okay. S 1> พิสุทั้งหลายบอกว่าท่านขอรัพเพราะเหตุไรท่านจึงทํากรรมหนักอย่างนี้นะทําไมจึงบอโอ้โหทนขนาดนี้พระเทพระกบอกอาวุโสทั้งหลายถ้าเราจะพึงบอกว่าเราถูกงูกัดไซเราก็ไม่ได้อานิสงส์มีประมาณเท่านี้ถ้าไวอยวายน่จะได้บรรลุเป็นพระ น, นาคามีไหมไม่ได้บริษัทเขาแตกตื่นหมดมัวแต่หายากันและคืนนั้นก็อดฟังเทศกันหมด เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเรายอมเจ็บคนเดียวนะคนอื่นก็ไม่เสียประโยชน์ก็มีสัทธานั่งฟังพอจบก็บรรลุเลยเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะในเมืองทีฆาวาปนะีอาจารย์บางท่านบอ ก, กแปลว่าน้องแวงเหมือนกันชื่อมันอีสานเป้เลยนะทีขฆาวาปี <c oughs> มีพิสูจนุ่มรูปหนึ่งอยู่ประจำที่ติดสะมหาวิหารใกล้หมู่บ้านใหญ่ ได้ทราบ ว, ว่าพระเถระผู้เทศมหาชาดกจากเพศกถาพันมหาเวสสันดรคือพ ร, พระรูปนี่ยท่านแตกฉานในชาดกว่างั้นเถอะท่านจะเทศชาดกประจำทีนี้ท่านจะเทศกระถาพันพระเวสสันดร น, นี่มีคาถาหนึ่งพันคาาเรียกเลยเรียกกรถาพันเนี่ยนะมีคาถาคือในชาดกไม่มีตั้งแต่คาถาหนึ่งคาถาอย่างเดียวเรีเอ e, กนิบาตสองคาถาเรียกว่าทุกกะนิบาต3คาถาเรียกว่าติกนิบาตสคาถาเรียกว่าเจตุกะนิบาตเนี่ยนะก็ไล่ไป เรื่อยๆอย่างเงี้ยจนถึงคาถาพันเนี่ยนะบางคาถาก็มีบางตัวเลขไม่แน่นอนนะแต่ค่อยๆไล่ไปอย่างเงี้ยจนถึงคาถาพันพระเวสสันดร น, นี่ชื่อว่าคาถาพันในบรรดาชาดกนะเรื่องที่เสื่อมเป็นเรื่องแรกคือพระเวสสันดรนะพระเวสสันดร น, นี่จะเสื่อมไปจากโลกเรื่องแรกก่อนทีนี้โบราณของเราก็เลยมาจัดประเพณีฟังเทศเนี่ยฟังเทศพระเวสสันดรไว้รักษาไว้จะได้ไม่ไม่เสื่อมหายเนี่ยนะ แต่ว่าวิธีการดูท่าท่าทําแบบนี้ไปนานน่าจะเสื่อมจริงๆเพราะว่าพระเวสสันดรตอนนี้เนี่ยนะก็ไม่ใช่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นการเทศที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่บริสุทธนะิ์นักเป็นการค่าสัส่วนหนึ่งละทีนี้เพราะอนาคตพระเวสสันดรจะเสื่อมอย่างท่านว่าจริงๆเนี่ยนะเพราะว่าคนก็ชักไม่ค่อยชอบพระเวสสันดรไปเยอะละ <c oughs> ทีนี้พูดถึงว่าพระเถระรูปนี้ก็จะเทศมหาเวสสันดร อ, อย่างนี้แหละ พิษุรูปนี้ได้ข่าวก็ออกจากวัดเดินทางระยะทางนหนึ่งโยชิบสิบหกกิโลเมตรเนี่ยนะเดินทางวันเดียวเท่านั้นในขณะนั้นเองพระเถระก็เริ่มแสดงธรรมแล้วเนี่ยนะคุณนิลาวันนี้จากบ้านคุณไปบ้านคุณจูศรีถึงสักครึง่งโยศถึงไหมไม่ถึงเนาะไปไม่ได้พิสุนมกก็กำหนดเฉพาะคาถาสุดท้ายกับคาถาเริ่มต้นเนี่ยนะคือเนื่องจากวันนั้นเดินทางทั้งวัน เดินทางทั้งวันแล้วก็ไปฟังเทศนะก็พอไปฟังปั๊บก็จับได้แต่คาถาเรกเ <Okay. S 1> นี่ยนะในทศพรอนะนะโทศพภรก็แปลว่า <Okay. S 1> พรสิประการของท้าวส ก, ก่าที่พระนางพุทธดีเนี่ยจะจุติจากดุสิตใช่ไหม <Okay. S 1> จากดาวดึงนะจะจุติจากดาวดึงมาเกิดเนี่ยนะเนราะจับได้แต่คาถาแรกคาถาหนึ่งแล้วก็ไปคาถาสุดท้ายที่พระเวสสันดรเข้าวังแล้วนะ <Okay. S 1> วก็จับได้สองคาถา เพราะความกระวนกระวายที่เกิดจากการเดินทางไกลเนี่ยนะระยะทางโยอดหนึ่งถ้าบางคนเนี่ยเขาสุขภาพดีๆการเดินจะไม่มีปัญหาแต่บางคนนี่สุขภาพไม่ดีเดินทางระยะสิบหกกิโเมตรนี่นับว่าเหนื่อยมากเนีนะโอ้เนี่ยนะเท่านั้นเะนี่ยนะนะนนะก็บางคนเนี่ยอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีเ่ยนะแต่ถ้าคนปกติทั่วๆไปเนี่ระยะสิหกกิโเมตรก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะก็ถ้าดีหน่อยนะอะแข่งอาจจะปลีน้องอาจจะเมื่อยไปพอสมควรล่ะ แต่ถ้าเป็นคนที่สุขภาพบางคนไม่ดีนักเนี่ยเดินระยะขนาดนี้ก็โหพลียเต็มทีแล้วต่อจากนั้นเวลาที่พระเถระกล่าวคำว่าอิทัมโมโจะแปลว่าพอจบลงอ่ะนะก็ลุกออกไปพี่สุนนมก็ยืนร้องไห้เสียใจนะคือพอพระเถระเทศจบเนี่ยนะตัวเองเนี่ยจับได้แต่คาถาแรกกับคาถาสุดท้ายนะไอระหว่างนั้นไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะมัวแต่เหนื่อย เนี่ยนะมนเพลียนะไม่รู้ว่าหลับงี่ไประหว่างทางหรือเปล่ามาตรงพอจบอย่างนี้ปั๊บก็ร้องไห้เลยเสียใจว่าการเดินทางของเรามาเนี่ยกลายเป็นของไร้ประโยชน์ไปแล้วชายคนหนึ่งก็ได้ยินคํานั้นก็ไปบอกพระเถระว่าพระพิสุนนุ่มเนี่ยมาจากติตสะมหาวิหารด้วยหวังใจว่าจะมาฟังธรรมกถาของพระขุนเจ้าเธอได้ยืนร้องไห้เสียใจว่าการมาของเราเนี่ยกลายเป็นของไร้ประโยชน์ไป เพราะมีความกังวลกวายทางกายนะสุขภาพไม่ดีเลยก็เลยร้องไห้เลยนะหมาเสียดายจังเราจะไม่มีเทพกรอกลับฟังก็ไม่มีแล้วนะแบบโบราณนะพระเถระก็ตอบไปว่าไปเถิดไปให้สัญญากับเธอว่าพรุ่งนี้เราจะแสดงธรรมะนั้นซ้ําอีกรอบหนึ่งนะพระเถระนี้ก็มีศรัทธาจะแสดงเหมือนกันในวันรุ่งขึ้นเธอก็ฟังธรรมะคถาพระเถระก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะจบพระเวสสันดรแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะ ในเรื่องหนึ่งก็เดินทางมาตั้งโยต์หนึ่งนะเพื่อจะมาฟังพระเวสสันดรเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งหญิงชาวอุลังคะโกลิกันนิชนบทคนหนึ่งเนี่ยนะกำลังให้ลูกดูดนมอยู่แสดงว่าแม่ลูกอ่อนนะีนะกำลังให้ลูกดื่มนมอยู่ได้ฟังข่าวว่าพระมหาอภัยเถระผู้กล่าวคัมภี์ทีขนิกายจะแสดง อ, อริยวังสปฏิปทาคือผู้ที่ปฏิบัติปฏิปทาตามอริยวงเนี่ยนะนะก็เลยเดินทางสิ้นระยะทางห้าโยต เข้าไปยังวิหารนนะได้ข่าวว่าที่โน่นก็มีฟังธรรมก็เลยเดินทางไกลจะไปฟังอนนะอุ้มลูกไปด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะลูกยังดื่มนมเลยยังไม่ยาเลยในเวลาที่พระเถระผู้เทศตอนกลางวันเนี่ยนะนั่งเทศอยู่ก็ให้ลูกนอนบนพื้นดินนะเอาลูกไปด้วยอนนะอุ้มลูกไปตั้งห้ากิโลเมตรไปเพื่อฟังธรรมเนี่ยนะยืนฟังธรรมของพระเถระผู้เทศในกลางวันแม้พระเถระเทศทบททานะก็ยืนฟังเหมือนกัน เมื่อพระเถระผู้เทศบทภาณะลุกขึ้นแล้วพรามหาเถระผู้กล่าวทีคณิกาก็จะเริ่มมหาอริยวงศ์พันานาถึงการสันโดษด้วยปัจจัยสี่และการยินดีด้วยภาวนานางเนี่ยนะโดยมากก็ยืนฟังมาตลอดนะยืนฟังทั้งวันอะยืนฟังตกกลางคืนก็ยืนฟังต่อไปอีกเนี่ยนะก็ฟังให้ลูกนอนไปลูกก็ดีนะไม่กวนนะทีนี้ เมื่อนางเนี่ยยืนปนมือฟังอ่ะนะพระเถระก็แสดงปัจจัย3แล้ก็สันโดษด้วยจีโวลสันโดษด้วยบินทบาทสันโดษด้วยที่อยู่อาศัยเนี่ยนะกล่าวสรรเสริญการสันโดษไม่สแสวงหาปัจจัยโดยผิด ธ, ธรรมถึงไม่ได้ปัจจัยก็ไม่กวนก็วายนะพระประเทศไปด้วยเสร็จแล้วพอจบเรื่องปัจจัยแบบก็ทําท่าจะลุกขึ้นอ่ะนะจะจบอาเทศเอาดือด้อเนี่ยนะไอ้ข้อสข้อสําคัญไม่เทศนะจะเลิกสามข้อเพรางั้นจะ พูดแต่สันโดษ ป, ปัจจัยสี่ที่จะให้เจริญมรละสมุทัยนี่ยังไม่เทศต่อว่างั้นทำท่าจะลุกนางก็เลยเรียนว่านะนางเน็บว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายคิดว่าจากเทศอริยะวงแล้วฉันโพชนะที่อร่อยว่างั้นเดเดื่มน้ำที่มีรสหวานปรุงด้วยเชะเอมเครือและน้ำมันเป็นต้นจึงขึ้นที่ควรจะแสดงว่างั้นเถอะหมายก็ว่าอยู่ดีฉันดีแล้วก็จึงค่อยแสดงว่างั้น คลพูดเน็บไปหน่อยหนึ่งวันนะว่า น, นางมีศรัทธา ม, มากกันนะพระเถระก็กล่าวว่าดีแล้วน้องหญิงก็เลยเริ่มเทศการยินดีในภาวนาต่อไปพระที่ที่เทศทีขณิกายท่านก็เก่งมากนะท่านเทศจนอรุณขึ้นพอดีเนี่ยนะพระเถระก็พอกล่าวคำว่าอิทัมาโมโจะหนึ่งะอุบาสิกาก็บรุโซดาปฏิผลอีกเหมือนกันเนี่ยนะ ก็ยืนฟังได้ทั้งวันทั้งคืนนะคนเนี่ยแหละเก่งมากๆเลยนะก็คู่ควรเลยนะถ้าจะบรรลุเพราะทำได้ขนาดนี้นะคงจะขออนุโมทนาด้วยมากเลยนะ <c oughs> อันนี้พูดถึงผู้ที่มีศรัทธาในการฟังอีกเรื่องหนึ่งนะว่าเป็นหญิงชาวบ้านกาลมพระเนี่ยนะอุ้มลูกไปยังจิตตลรดาบรรพ ด, ด้วยคิดว่าจากฟังธรรมก็ให้ลูกเนี่ยนอนพิงต้นไม้ต้นหนึ่งตนเองก็ยืนฟังธรรมนะ นะอุ้มลูกไปด้วยนะก็ให้มีศรัทธาจะฟังอะ่ะให้ลูกนอนอยู่ทีนี้ในระหว่างรติการภาคคือในส่วนกลางคืนเน่ยนะงูตัวหนึ่งก็กัดเด็กที่นอนอยู่ใกล้ๆนางงูกัดลูกเลยนะทั้งๆ ท, ที่ดูอยู่นั่นแหละเข้าทั้งสี่เขี้ยวแล้วก็หนีไปนะแม่ก็เห็นอยู่อาะมันกัดไปแล้วจะไปทํำยังไงนะสี่เขี้ยวหุกมาแล้วก็งูก็หนีไปอาจารย์เคยสอนถ้าเป็นแม่จะทํำยังไง แม่เพนก่อนนล้นะเพนแนบนั้นไม่เอาแล้เห็นไหมอาจารย์ละมุนจะว่าไงถ้าขนาดนั้นนะงู ก, กัดตอนหน้าต่อตาด้วยนะฝังเขี้ยวสีเขี้ยวด้วยเอาโวยวา ย, ยเลยนะ แ, แตกคือหมดอล้นะที่ฟังเทศแม่ศรีพันน่ะจะว่าไงถ้างู ก, กัดลูกต่อนหน้าต่อต า, อางั้นอนะ่ะฝังสีเขี้ยวเลยอ่ะ ถ้าถามมานะมายังไม่มีลูกตอบไม่ได้หรอกทีนี้นางก็เลยคิดว่าอั น, นะมาดูนางคิดนะว่าเหมือนเราคิดไหมคุณจุ้มถ้าเราจะบอกว่าลูกของเราเนี่ยถูกงูกัดไซจักเป็นอันตรายแกการฟังธรรมเนี่ยนะเมื่อเรายังเวียนว่าอยู่ในสังสารวัตเด็กคนนี้ก็ได้เป็นลูกของเรามาหลายครั้งแล้วเราจักประพฤติธรรมเท่านั้นแล้วก็ยืนอยู่ตลอดทั้งสามยามประคองธรรมะเอาไว้เนี่ยนะ คิดให้จิตเป็นไปกับธรรมะไม่คิดถึงลูกเลยตอนแรกพอเห็นก็คิดอย่างเดียวใช่ไหมว่าตามก็เป็นแม่เป็นลูกกันไม่รู้กี่รอบแล้วก็แค่นั้นก็เลิกคิดแล้วคิดแต่ธรรมะอย่างเดียวต่อเนื่องประคองธรรมะไว้เมื่ อ, อรุ่นขึ้นก็บรุโสดาปฏิผลเนี่ยนะทำลายพิษงูในบุตรด้วยสัจจะกิริยาเนี่ยนะก็ทำสัจจะกิริยาเนี่ยนะแล้วก็อุ้มบุตรไปคนเห็นตอนนี้ชื่อว่าเป็นผู้ใคร่ในการฟังธรรมเนี่ยนะ มันก็นับว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธามากนะนี่ก็บ่งถึงลักษณะของผู้มีศรัทธานะ3อย่างนะข้อแรกปรารถนาจะเห็นผู้มีศีลข้อ2ปรารถนาจะฟังธรรมเนี่ยนะส่วนข้อที่สว่ามีใจปราศจากความตนีอยู่ครองเรือนนีก็ท่านแม่อธิบายเนี่ยนะก็พอรู้กันอยู่แล้วลไทยยังมีต้องมีปัญญาเลยนะไหนก็นมีปัญญาคิดว่า เอาเป็นลูกมาหลายชาติแล้วแสดงว่าต้องมีปัญญารู้จักอะไรพอรู้ก็พอจบแล้วเป็นพระโสดาบันอ่ะอืก็ฟังจบแล้วก็บรรลุอริยสัจเนี่ยก็แสดงว่ารู้จักสังสารวัตมาเป็นอย่างดีแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วนคนศรีลังกานี้เป็นเป็นกลุ่มคนที่มีศรัทธามากเนี่ยเป็นเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่มีศรัทธามากมากเลยเห็นไหม ที่ผู้การทงชัยพูดถึงว่าถ้าจะไปดูศรัทธาของเขานะไปดูเนี่ยช่วงวิสาขะเนี่ยนะช่วงวิสาขะบูชาเนี่ยโคนศีรังกานี่โอ้โหแสดงศรัทธาออกมาเป็นพิเศษเลยในะระหว่างช่วงนั้นเนี่ยนะเขาทำเป็นเดือนๆ เ, เลยวางั้นเนังั้นผู้ที่มีศรัทธาอย่างนั้นก็ครอบงำความไม่มีศรัทธาได้นะ ในพระสูตรหนึ่งที่พระ อ, องค์ตรัสกับพระอนุ์นะว่าถ้าหากว่าเธอมีญาติเนี่ยนะมีญาติมีสาโลหิตมีพี่มีน้องมีคนที่รู้จักกันเนี่ยนะถ้าเธอจะแนะนำเขาพึงแนะนำเขาให้มีศรัทธาเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือถ้าจะแนะนำนะให้แนะนาให้มีศรัทธาเลื่อมใสไม่หวั่นไหวใน พระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยนะก็แนะนำะนะถ้าของเราก็แนะนําให้อ่านหนังสือพระรัตนตรัยหได้ป่ะเนีย่ยนะลักษณะแบบนั้นนะให้ให้รู้จักคุณพระรัตนตรัยให้ศรัทธาในพระพุทธคุณเนี่ยนะโดยเฉพาะตถาคตโพธิศรัทธาคําว่าโพธินี่เป็นชื่อของโพธินะเป็นชื่อของมรรคทั้งสี่เป็นชื่อของมรรคทั้งสี่ อย่างเวลาเราไปกราบสังเวชนียสถานโดยเฉพาะไปที่เรียกว่าไปที่ต้นโพต้นโพที่จริงแล้วต้นไม้จริงๆไม่ได้ชื่อว่าชื่อว่าต้นโพอะไรหรอกชื่อว่าต้นอัสสัตตพลกเนี่ยนะอย่างต้นเนี้ยแต่ที่เรียกว่าต้นโพเพราะว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ณสถานที่นี้บรร ล, ลุอริยมรรคทั้งสี่เลยเรียกต้นนั้นว่าต้นโพเนี่ยนะกาโรโพที่ตัวนั้นเนี่ยบ่งถึงอริยมรรคทั้งสี่คือมรรคสี่เป็นชื่อของโพที่นั่นเอง พันให้แนะนําให้เขามีศรัทธาเลื่อมสายในโพธิคืออริยมรรคทั้งสี่ของพระผู้เจ้าว่าพระองค์นี้เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยมรรคทั้งสี่ทีนี้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วมีคุณธรรมอะไรบ้างละ่ะก็ให้มีศรัทธาตั้งมั่นว่าพระองค์เป็นพระอารหันต์นะไกลาจากกิเลสเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองซึ่งธรรมะ ที่ควรรู้ยิ่งพรงษ์มีวิชาและจรณะนะพงค์สเสด็จไปดีนะพระ อ, องค์รู้แจ้งโลกเป็นต้นก็แนะนำให้ญาติทั้งหลายเนี่ยให้เขามีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็บอกว่าปัทวีทาธาตุจะแปลเป็นอื่นแต่ว่าศรัทธาของพระอริยสาวกก็ไม่เปลี่ยนไปปัทวีทาธาตุในที่นี้หมายถึงปัทวีทาธาตุในร่างกายนะอาโปเตโชวาโยในร่างกายมันจะเปลี่ยนไปก็ช่างเถอะ แต่ว่าศรัทธาของพระโสดาบันเป็นต้นนี้ท่านจะไม่เปลี่ยนเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าท่านมีศรัทธาที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้อย่างหนึ่งนะถ้าจะแนะนําให้ญาติอย่างที่สองก็แนะนําให้เขามีศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระธรรมเนี่ยนะถามว่าถ้าเราจะเลื่อมใสมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระธรรมเนี่ยนะในส่วนไหนเนี่ยนะถ้าเราบอกเออ การสอนท่านนับถือธรรมะนี่ส่วนใหญ่จะนับถือว่าธรรมะนี่ดียังไงอะนะเอาสรุปเป็นสั้นๆนะนะใจความประโยคเดียวนะว่าเอ๊ะธรรมะนี่ที่เราศรัทธานี่ศรัทธ า, ส, ธ า, ส, ธาส่วนไหนดีนั่นนะบอกยา ก, ก น, นะอนะคือคือสรุปสรุปว่าธรรมะดียังไงแบงนั้นเถอะนั่นนะนั่นนะพับพบอ่ะนะ คุณวิชัยบอกว่าสวาขาโตพระกว่าตาธทำโมพระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีจริงๆนะนี่างาเกสอนบอกว่าเป็นทางพ้นทุกเนี่ยนะท่าทั้งคู่ก็ถูกทั้งหมดนะนีแต่ว่าทั่วๆไปแล้วท่านจะยกย่องว่าท่านทั้งหลายจงมาดูความเป็นธรรมดีของพระธรรมเนี่ยนะความเป็นธรรมดีของพระธรรมเนี่ยถามว่าธรรมะเนี่ยดียังไงก็คือที่ว่านําออกจากวัตจักรทุกนะที่เรียกว่านิยานิกรรม ธรรมะที่เรียกว่าเป็นธรรมดีเพราะว่าช่วยให้เราพ้นทุกได้เนี่ยนะทางอื่นที่จะช่วยให้พ้นทุกได้ไม่มีนอกจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วเนี่ยนะทีนี้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วที่จะช่วยให้เราพ้นทุกเนี่ยอะไรบ้างล่ะนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็คือตรัสอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นเราก็มีศรัทธาในในอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะศรัทธาว่าทุกควร กำหนดรู้ใช่ไหมมีศรัทธาว่าสมุทัยนี่ควรละมีศรัทธาว่านิโรธควรทําให้แจ้งมีศรัทธาว่าอริยมรรคนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อ น, นําออกจากวัตทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะมันก็มีศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงว่าธรรมะนี่แหละที่จะช่วยให้เราพ้นจากวัตทุกข์ได้ถ้าเราลองมานั่งคิดคิดดูนะเอากรรมมศกตามานั่งคิดนะเอาเรื่องกรรมและผลของกรรมมาจับว่า ชีวิตวันหนึ่งเนี่ยเรารับวิบากกรรมส่วนไหนบ้างเช่นทางตาหูจมูกลิ้นร่างกายนะส่วนหนึ่งแล้วก็ผวังอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นผลของกรรมเก่าเนี่ยนะแล้วก็มาคิดถึงเหตุในอดีตอย่างหนึ่งนะเออผลของกรรมเก่าเหล่านี้อาศัยเหตุในอดีตนะทำให้มีผลในปัจจุบันแล้วตั้งกะเช้าเนี่ยนะจนถึงตอนเย็นเนี่ยก็ทากรรมทั้งวันกรรมเหล่านี้ก็จะมีต่อไปใน อนาคตสังสารวัฏเนี่ยทำทั้งดีทําทั้งชั่วทําทั้งบุญทั้งทังบาปสลับคะเคล้ากันไปแล้วก็วัฏตาสงสารที่เป็นไปอย่างนี้เนี่ยนะ เ, เราจะออกจากวัฏตาสงสารอันนี้ได้ยังไงเนี่ยนะถ้าหากว่ารำพึงแบบนี้บ่อยๆก็จะเห็นว่าออพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เนี่ยดีจริงๆพ ร, ะอะร่อไหเพราะนําออกจากวัฏตาเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะด้วยยานคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดวัฏ มักมีองค์แปดที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นี้เป็นทางที่นำออกจากวัตทุกุ์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะก็มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวอย่างนั้นก็หมันระลึกนะว่าออมักนะแต่ละข้อมีอะไรบ้างเนี่ยนะมักแปดสัมมาทิฏฐิคุณพานิสัมมาทิฏฐิรู้อะไรฮ ะ, ะสัมมาทิฏฐินี้รู้อะไร ตัวปัญญานะสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นชื่อความเห็นชอบเห็นอะไรจึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเดินทางสัมมาทิฏฐิที่อยู่ในมรรคต้องเห็นอริยสัจเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิที่อยู่ในมรรคนะต้องเห็นอริยสัจจึงจะพ้นทุกข์ได้อย่างที่สองสัมมาสังกปะคืออะไรคือกุศลสังกปะสาประการอย่างที่สามสัมมาวาจาก็คือวจีสุจริตสประการ สัมมากัมมันตาก็กายสุจริต3ประการสัมมาอาชีวะก็ทั้งกายสุจริตและวจีสุจริตถ้าสัมมาวายามะก็สัมมาประธานสี่สัมมาสติก็สติประฐานสสัมมาส ม, มาธิก็ฌานสีเนี่ยนะถ้าหากว่าอริยมรรคทั้ง8องค์เนี่ยประชุมพร้อมกันเนี่ยนะก็สามารถนําออกจากทุกได้มรรคนี่แหละเป็นนิยาอ่นะนิยากัดโถนะ นิยานีกัดโถเนี่ยเพราะเป็นธรรมะที่นำออกจากวัตทุกได้อย่างแท้จริงก็ศรัทธานในส่วนนะั้นาเออที่พระองค์แสดงไว้นะเพื่อให้ตรัสรู้อริยมรรคทำให้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานสัตว์ทั้งหลายก็จะพ้นจากกองทุกเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าเราเห็นคนที่แก่ เ, ออเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะเราก็ให้หมันและลึกว่าถ้าเขา แทงตลอดอริยมรักอันประกอบไปด้วยองแปดหรือเขาบรรลุโสดาปฏิมรัคนะเขาจะเกิดอย่างนี้อีกไม่เกินเจ็ครั้งเนยนะก็ให้ระลึกแบบนี้บ่อยๆก็ทําให้มีใจน้อมน้อมรักในการรู้เนี่ยนะให้มีจิตใจฝักใฝ่ที่จะบรรลุอริยสัจบ้างว่างั้นเถอะอันนี้ก็นับว่าเป็นการปลูกศรัทธาเบื้องต้นแต่ถ้าหากว่าแทงตลอดอริยมรัคได้อย่างแท้จริงก็เป็นผู้ที่มีศรัทธามัน่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและไม่หว่านไวใน พระธรรมที่พระ อ, องค์แสดงไว้เนี่ยนะอันถ้าจะแนะนําให้คนอื่นก็ให้แนะนําให้เขามีศรัทธาในพระธรรมนะข้อที่สาก็แนะนําให้เขามีศรัทธาเลื่อมสายมั่นคงไม่หวัน่นไหวในพระสงฆ์คือที่แนะนำเนี่ยเนนหนึ่ ง, งนะชั้นแรกต้องแนะนําให้เขารู้จักพระพุทธเจ้าอย่างที่สองแนะนําให้เขารู้จักพระธรรมอย่างที่สามแนะนําว่าผู้ที่บรรลุพระธรรมอย่างนี้นะบรรลุธรรมะอย่างเนี้ยเป็นผู้ปฏิบัติดีอย่างแท้จริง แต่ว่าเราอย่าไปชี้เป็นรายบุคคลนะคนนั้นทําดีนะถ้าเกิดดีไม่จริงจะเสียหน้าวันหลังช่วยไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องแนะนําก็ต้องเ อ, เอาเอาอริยศาสตรมาตั้งว่าผู้บรรลุอริยศาสตร์เนี่ยดีจริงๆเนี่ยนะคนที่เรารู้จักอาจจะไม่ดีจริงก็ได้แต่ผู้บรรลุอริยศาสตร์ต้องดีจริงต้องดีจริงว่างั้นเถอะมีคุณธรรมอย่างอะไรบ้างายกอนาถมาให้ดูก็ได้เนี่ยนะปัจจุบันนี้ก็หลีกเลี่ยงการยกดีที่สุด ว่าไม่ค่อยปลอดภัยเดี๋ยวอ้างวันนี้เดี๋ยววันหลังเกิดเสียอีกก็ได้แนะนำเนี่ยนะเราเห็นฟังดีแต่ว่าเขาอาจจะเป็นอ่าอ้าวอาจเห็นไม่ตลอดสายใช่ไหมก็บอกว่าการถือประมาณในโลกนี้มีอยู่สี่การถือประมาณเนี่ยประมาณนี้กับบุคคลในโลกนี้มีอยู่สี่อย่างถือประมาณหรือว่าเลื่อมสายเนี่ยนะความเลื่อมใสของคนในโลกนี้มีสี่อย่างอย่างแรกก็คือเลื่อมสายในรูป อย่างที่สองก็คือโคกะชื่อเสียงเนี่ยนะความกึกก้องชื่อเสียงอย่างที่สามเลื่อมใสในความเศร้ามองอย่างที่สี่เลื่อมใสในธรรมเนี่ยนะคนในโลกนี้เลื่อมใสยอย่างนี้ก็บอกว่าถ้าแบ่งคนในโลกทั้งหมดแบ่งออกเป็นสามส่วนถือรูปเป็นประมาณเนี่ยนะสองส่วนไม่ถือส่วนเดียวเนี่ยแสดงว่าถือรูปเป็นเออขออภัยสามส่วนนะถือรูปเป็นประมาณหนึ่งส่วนไม่ถือสองส่วน ก็คือถือรูปเป็นประมาณเนี่ยหนึ่งในสามทีนี้ถ้าแบ่งคนในโลกออกเป็นห้าส่วนเนีย่ยนะถือเสียงเป็นประมาณเนี่ยสี่ส่วนไม่ถือส่วนเดียวเนีย่ยนะผู้ที่ถือทำเป็นประมาณนนะก็คือสิบส่วนนะอขออภัยเศร้ามองถือความเศร้ามองเป็นประมาณเก้าส่วนไม่ถือส่วนเดียวส่วนถือทำเป็นประมาณนะแบ่งคนในโลกเป็นแสนส่วน ถือธรรมะส่วนเดียวที่ก็บอกว่าเก้าหมื่้าพ้าร้อยเ้าสิบเไม่ถือถืออยู่เพราะฉะนั้นหนึ่งแสนเนี่ยนะถือคนเดียวเนี่ยนะเนนะคุณวลาวันนี้ถือธรรมะส่วนไหนธรรมะไหนเป็นประมาณเอ่อที่ถือว่าสมมตินะของเราเอา้าสมมตินะถ้าทิ้งต่างว่าเอา้าเรามานั่งกันอยู่นี่ฉันมีถือธรรมเป็นประมาณล่ะถามว่าธรรมะไหน อโอเอาหมดเลยนะถือถืออริยสัจเป็นประมาณนะสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวจะไว้ถามหลังเวลามางันเถอะ